ขอความจเจริญในธรรมจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่่มประโพธิยานได้นำเสนอเรื่องหมากำหมอพิฟังกระสตรคือเชี่ยเห็นถึงความทรงไปทรงมาหรือคนทําชั่วก็ตกนรกคนทําดีก็เกิดสวรรค์ในขณะเดียวกันเนี่ยคนบางคนทําชั่วแต่ตายไปแล้วบางเกิดในสุกติหรือคนทําดีบางคนเนี่ย ตายไปแล้วบังเกิดในทุกติอันที่จริงในแง่ของความจริงไม่ได้มีความสับสนในกระบวนการของกรรมแต่ว่าสืบเนื่องจากกรรมที่บุคคลกระทาเอาไว้นั้นมันมีอดีตกรรมที่นานไกลมันมีอดีตกรรมในชาติก่อนมันมีกรรมในชาติปัจจุบันซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าเรามองตัดตอนเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัดสินจากสัมผัสตรงของตนเองแม้ว่าท่านผู้นั้นจะได้บรรลุทิปปัจักรุล่วงจัจจุวิสัยของสามัญมนุษย์แต่ถ้าเกิดความรู้มันจํากัดเข้ามาในจุดใดจุดหนึ่งการวินิจฉัยผิดตัดสินใจผิดก็จะเกิดขึ้นมาได้ดยกตัวอย่างเช่นภิกษุรูปหนึ่งท่าน ได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนจากมาอุบาสิกาท่านหนึ่งเนื่องจากมหาอุบาสิกาท่านนั้นท่านเป็นปราณ า, ามีท่านรู้วาลจิตของค น, นขาดข้อเรื่องอะไรขาดแคลนเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรอะไรเป็นที่สบายไม่เป็นที่สบายเนี่ยท่านก็แก้ไขให้หมดก็ทำให้ภิกษุมีความพร้อมทั้งในส่วนร่างกายและจิตใจก็จเจริญกรรมฐาน จนบรรลุฌาบนบรรลุอภิญญาขึ้นไปโดยดํารับแล้วจนถึงระลึกชาติได้ก็ได้เรื่อยไปแล้วในขณะที่ระลึกอยู่เนี่ยก็ทําให้หวนระลึกถึงอุปกรคุณของบาชิกาว่าผลดีงามตัว น, นี้เกิดขึ้นจากอุปกรณของบาชิกามันก็เกิดคําถามขึ้นภายในใจโอ๋บาชิกาผู้เนี้ย เคยมีอุปกรณเรามาในชาติก่อนบ้างหรือไม่ก็เลือกไปก็บพวกบว่ามีความเกี่ยวข้องผูกพันกันมาตลอดการชิดบ้างห่างบ้างนะฮะเป็นพี่น้องกันบ้างเป็นแม่ลูกกันบ้างเป็นสามีพัรยากันบ้างเป็นเพื่อนฝูงกันบ้างอะไรต่างๆจนเลึกไปถึงชาติที่เกสเก้า ปรากฏว่าในชาตินั้นทั้งคู่เป็นสามีปัญญากันแล้วก็อุบาสิกาในชาติปัจจุบันนี่แหละก็ได้สมรู้ร่วมคิดกับชายชูแล้วก็ฆ่าท่านตายท่านหยุดทันทีเลยโอ้โหอุบาสิกานี่ทำบาประกรรมหนักจริงแล้วความคิดขอท่านก็หยุดตรงนั้นคือไม่ได้ขึ้นไปที่ชาติที่หนึ่งร้อยไม่ได้ขึ้นต่อไป มันเกิดสลดอุบาสิกาท่านเป็นพระนาคามีนะท่านก็ตามจิตภิกษุไปเห็นว่าระลึกชาติอยู่ก็ไปติดอยู่ตรงนั้นก็ท่านก็มองย้อนเลยไปว่าในภบชาติต่างๆนี่เราไม่เคยอุปการะแกภิกษุบ้างเลยเตยพอระลึกไปถึงชาติที่หนึ่งร้อยก็ปรากฏว่าเป็นสามีปัญญากันอีก แต่ว่าในชาตินั้นแหละท่านเคยสละชีวิตเพื่อช่วยสามีของท่านไว้ตรนั้นก็บอกให้ท่านเจริญต่อไปกหมายความมาตอนนั้นก็มีหูทิพย์แล้วด้วยนะฮะพิษสูรรูปนั้นพอได้ยิงก็เจริญต่อไปพอถึงชาติที่หนึ่งร้อยก็เห็นว่าบาสิกาเคยสละชีวิตช่วยเหลือท่านเอาไว้ในด่านแดนประหาร ก็เกิดปีติประโมทนะฮะแล้วก็ทะลุระลชาติได้พวดไปกันเลยบรรุมรคผลเป็นพระหันไปในที่สุดเพราะปัญหาใหญ่คือการมองไม่ตลอดสายที่ทรงจำแนกสแสดงไว้โดยนัยะต่างๆซึ่งถ้าหากว่านำมาสเสนอก็คงจะเป็นวิจารารมากไปหน่อยแต่ว่ามาสรุปใจความก็อย่างเนี้ยการวินิจฉัยผิดเนี่ยโดยการมองตัดตอนออเฉพาะตอนใดตอนหนึ่ง แล้วก็เข้าใจว่าผลเหล่านั้นมันเกิดมาจากเหตุเหล่านี้ทีนี้สมมติว่ามันมันเกิดตรงตัวแล้วก็ก็ดีไปนะฮะเช่นสมมติว่าท่านเห็นคนทำดีตายแล้วไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านก็ได้ข้อสันนิษฐานว่าทุกคนนี่ทำดีนี่ตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์พอใช้กับว่าทุกคนผิดเลย เ, เพราะไรเราะบางคนเนี่ยเราเห็นทําดีในปัจจุบันจริงแต่ว่าตอนตายไปเนี่ยมันเป็นอีกเงื่องขยอย่างไงประจิตท่านอาจจะคูณก็ได้ได้อสุลกรรมในอดีตอาจจะตามมาเป็นยนกกระกำนำท่านไปเกิดก็ได้เพราะนพอไปยืนยันคำว่าทุกคนเนี่ยมันไม่ได้แต่ว่าคนที่บังเกิดในสุกติทุกคนเนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมแล้วก็ใช่ หรือว่าคนที่บังเกิดในทุกกติทุกคนเนี่ยเกิดด้วยผลของอากุศลแกรรมแล้วก็ใช่คนบรรลุมรรคผลนิพพานทุกคนเนี่ยเพราะปฏิบัติตามอริมักไปองแปดประการนี่ก็ใช่มันเป็นภาษาค่อนข้างเป็นตรัก า, า์ทีนี้ไอ้การการนำเสนอในแนวทิฏฐิต่างๆเนี่ยบางทีมันขาดความรอบข้อ แล้ภาษาเราเป็นนั้นมากเนี่ยที่ลักษณะขาดความรอบข้อบพอพูดไปแล้วเนี่ยรับผิดชอบไม่ได้เช่นยกตัวอย่างมีข่าวคราวเกี่ยวกับความประพฤติของพระไม่ดีขึ้นมาสักรูปหนึ่งระบอกพระเดี๋ยวนี้ใช่ไม่ได้ประพฤติไม่เรียบร้อยเรารับผิดชอบไม่ได้เววรพ ร, พระาะอะไรเพราะแม้แต่พระที่เป็นข่าวเนี่ยยังไม่รู้จริงหรือไม่จริงแล้วเราไปใช้คําว่าพระเดี๋ยวนี้เพระคําว่าเดี๋ยวนี้มันก็เหมาโลเลยคือหมด พระทุกรูปเป็นอย่างนั้นหมดนั้นก็แสดงว่าเราไม่ได้พูดโดยประจักษ์แต่เราพูดโดยอารมณ์อารมณ์นั้นมันก็ไม่ยุติโดยเหตุผลเพราะคุณพิสูจน์ได้ยังไงว่าพระทุกรูปเป็นอย่างนั้นเพราะแม้แต่องค์ที่เป็นเหตุให้ให้คุณพูดอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ยังรู้ยังไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงลักษณะเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในต้นพุทธสมัย ก็เป็นภาษาที่ก็เรียกว่าสมัยเรียนเนี่ยตมาเองก็ไม่เข้าใจอน่นะแตมีความรู้สึกทึ่งเพียงแต่ว่าเร า, เร า, เ, ราเราคิดไม่ออกแลก็อยู่บ้านนอกคนระูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้รอบรู้แตกฉานอะไรแล้วเราก็ไม่รู้จะถามยังไงด้วยคือทีคะนัขะอาคิเวสชนะเป็นหลานชายของภาษาดิบุตรแล้วก็เป็นนักบวชประเภทปริภาชก ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สุการคาตาบกเขาคิจกุตตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระสารีบุตรก็เราดูคำถามของท่านทีฆาณาคะมันมีลักษณะกระทบกระเชียบพูดง่ายๆว่าด่ากระทบพระพุทธเจ้าแกก็บอกว่ากาแต่ประมาณสารณาโคโดมเขาไปเจ้าเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมด ปุ๋ยเจ้ารับสั่งวัตถิกานาคาถ้าเธอคิดเห็นอย่างนั้นเนี่ยแม้ความเห็นของเธอก็ไม่ควรก็บเธอด้วยเธอก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยแล้วก็จากนั้นก็ส่งจำแนกและักษณะของความเห็นของบุคคลออกไปเป็นสามประเภทใหญ่ๆประเภทหนึ่งปฏิเสธหมดประเภทหนึ่งยืนยันหมดประเภทหนึ่งปฏิเสธบางส่วนยืนยันบางส่วน ซึ่งมันไม่ใช่ข้อยุติได้สเบเปิดไปนะท่านที่เคยเรียนมาในแนวตรรกศาสตร์หงนึกออกนะครับมันมีการสร้างประโยค a e i o เนี่ยคือปฏิเสธยืนยันทั้งหมดปฏิเสธทั้งหมดยืนยันบางส่วนปฏิเสธบางส่วนทีนี้ปัญหาว่าการใช้คำเนี่ยว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดทีนี้ไอ้สิ่งทั้งปวงนั้นมันหมดเลย ความเห็นมันก็กลายเป็นสิ่งน้องปวงด้วยตัวท่านเองก็เป็นอยู่ในสิ่งน้องปวงด้วยความเพ็นของท่านก็อยู่ในสิ่งนองป่วงด้วยเพราะมเมื่อท่านไปเหมาเหมาโหล่อในลักษณะนั้นความเห็นของท่านเลยไม่ควรแก่ท่านด้วยก็จําหนวนพระเจ้าทรงสแสดงให้เห็นว่ามันเป็นลักษณะการชชยอารมณ์คือการไปปฏิเสธก็ทั้งหมดเนี่ย อย่างเรามีในประเทไทยเราเนี่ยที่เขาบอกเจองูกระแขกตีแขกก่อนเห็นไหมฮะนั่นก็คือหมายความว่าไปเหมาโขเขาเลยเรารู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ดีทุกคนะถามว่ามีแข่ไม่ดีไหมเราบอกว่ามีแต่ถามว่าคนไทยไม่ดีมีไหมก็บอกว่ามีแต่ถามว่าทุกคนหรือเปล่ามันไม่ทุกคนเพราะการที่เราบอกว่าเจองูกับแขกติีแขกก่อนเนี่ยมันไม่ยุติธรรมอะคนรู้เปล่าว่าแขกคนนั้นเป็นยังไงแล้วเป็นคนดีอรืจะว่าไง วเวทีก็ได้ยังไลลงลักษณะเหล่านี้มันจะมีอยู่เยอะในบ้านในเมืองเราเนี้ยเช่นสมมติว่านักการเมืองนี่เลวหมดอย่างเงั้ยมันไม่ได้หรอกพูดอย่างนั้นบ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไงนักการเมืองเลวหมดเนี่ยถามว่ามีนักการเมืองเลวไหมเราก็บอกว่ามีแต่ไม่มากหรอกถ้ามากไม่บ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้หรอกบางครั้งบางคราวมันก็มองในแนวของการแตกแยกแบ่งกันารเหมาโหลเหมารวบ ก, กันไปเลย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทางอารมณ์แต่การวินิจฉัยกรรมเนี่ยมันเป็นวินิจฉัยด้วยปัญญาที่ยังรากลึกลงไปแล้วก็แยกแยะจําแนกแยกแยะออกไปโดยชัดเจนสรงจาแนกแสดงไว้เป็นอันมากนะสรุปว่าก็ทยอยกันมาเป็นตอนๆมาเลยก็มาสรุปในข้อสุดท้ายว่าการรมไม่คัวรเนี่ยสองห้เห็นว่าไม่ควรก็มี ให้เห็นว่าควรก็มีกรมที่ควรแท้ๆสองให้เห็นว่าควรก็มีให้เห็นว่าไม่ควรก็มีนี่คือโดยสรุปหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมืนสอนให้เห็นว่าจะอํานวยผลให้ในชาติต่อไปก็มีแต่ทีนี้บางชีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยต่อไปในอนาคตมันเปลี่ยนก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลังจะตายเนี่ย เพราะพะว่ากระบวนการของกรรมเนี่ยเราไม่รู้รายละเอียดของเขาโดยเฉพาะเพื่อวกอดีตกรรมที่ในภพชาติก่อนกันในชาติก่อนหรือแม้แต่ในก่อนที่จะดับจิตเรารู้ได้เลยรู้ว่าความคิดเราเนี่ยจะคิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะดับจิตนั้นบางครั้งบางคราวก็เห็นความขัดแย้งว่าคนหนึ่งทำความดีอยู่ในปัจจุบนันเอตตายไปตกนรก มันก็ถ้าเราเกิดสับสนเราไปมองกรรมเฉพาะตรงนั้นมันก็จะเห็นว่าคนทําดีนี่ตกนรกทีนี้ยุ่งเลยทําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีทีนี้ยุ่งเล ย, ย, เลยหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็เห็นคนคนที่ทําทําไม่ดีบางคนนะตายแล้วไปตกในานารกก็คล้ายๆกับตรงตัวทรงตัวทีนี้พอบางทีเนี่ยเราไปเห็นที่มันมันไม่ ไม่ตรงตัวอย่างที่เราเชื่อมโยงไว้เพราะคนทําให้ดีเนี่ยตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ทีนี้เราก็จะสับสนในกฎของกรรมเพราะเราไปเอากรำรเฉพาะที่เราเห็นแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับผลที่เราเห็นซึ่งว่ากรรมที่เราไม่เห็นนี่มีเยอะเพราะงั้นอาการการการมองอะไรในลักษณะตัดตอนมองในแน ว, แนวตัดตอนในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง เพราะว่าสิ่งตั้งหลายนั้นมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยในลักษณะที่เหมารวบกันไปในแนวการพูดแบบเหมาโหลนะมีคนคนหนึ่งที่เขาเคยไปเจอกับอดีตม า, าปรเรียนคนหนึ่งแล้วไปเกิดขัดแย้งอะไรกันนะแล้วก็กเกลียดพวกม า, าปรเรียนแกก็ เ, เหมารวบไปเลยพวกที่ศึกมาจากพระเนี่ยเป็นม า, าปรเรียนเน่ครบไม่ได้ เขาก็ไม่ครบมาเรื่อยเนี่ยแล้วในการต่อมาปรากฏว่าน้องสาวเขาแต่งงานมีสามีเราก็เป็นคนดีมากนะฮะเขาก็ยกย่องชื่นชมน้องเขยคนนั้นก็มากไปไหนก็คุยให้ฟังเรื่องน้องเขยดีอยังงั้นยังงั้นยังงั้นเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าน้องเขยเขาเป็นปรเรียนพอทําทไปทํามามีคนก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นอาจารย์เป็นมหาป ร, ริญญา หลายประโยคน์มันก็เกิดได้คิดเพราะตัวอย่างบุคคลสองคนเนี่ยมันเกิดต่างกันเป็นปรเรียนด้วยกันแต่พฤติกรรมไม่ต่างกันฟ้อนไม่ได้หมายความว่าถ้าปรเรียนแล้วต้องไม่ดีหรือปรเรียนแล้วดีทุกคนแต่ถ้าบางคนพูดได้นะบางคนพูดได้คนบางคนเนี่ยแม้แต่พูดช่วงขณะหนึ่งพูดได้ก็หลายปีมาแล้วก็แถวประมาณแถสามเจ็ดสามแปด 2 7 2เจ็แปดงเจ็ดสองแปดก็มีการทำหลักสูตรสูตรที่ใช้ศึกษาในระดับมัธยมนฮะวิชาพระพุทธศาสนามันก็ต้องการจะเอาตัวอย่างบุคคลโดยเฉพาะยิ่งคือพระเทรานุเทระทั้งหลายที่มีชื่อเสียงเด่นดังอยู่ในทุกวั น, นมาปเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน อามาก็เป็นคนค้านเองนะฮะอามาบอกว่าก็ค อ, อนมูนาแต่ต้องเอาพระที่ตายแล้วพระที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเอามาเรียนไม่ได้ถามเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่แน่ใจนะถ้าไม่ได้เป็นพระอารหันต์นี่นะวันหลังถ้าท่านเกิดพลังพลาดอะไรขึ้นมาแล้วก็เด็กที่มันชื่นชมในปุกลิกภาพในความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ของท่านนะไม่ชอกหัวใจสลายไปเลยนะ ก็คนก็พยายามคัดค้านนะแต่มาพยายามอธิบายแล้วก็จบลงโดยการตัดออกหมดคือชื่อคนพระดังๆอยู่ทุกวันเนึงก็มีนะแล้วก็ที่จะพูดสียคนไปแล้วก็มีก็อยู่ในลิสตที่จะเอามาเรียนให้เด็กเรียนทั้งนั้นเนะี่ยสมัยนั้นนันแสดงอะไรแสดงว่า ก, กรรมของมนุษย์เนี่ยมันยังไม่ยุติหรอกแม้แต่ปัจจุบันนกรรมเนี่ยคนทําดีไม่ได้ตลอด คนทำชั่วก็ทํายู่ชั่วอยู่ไม่ได้ตลอดเพราะในการจะไปไปตัดสินเราจากสิ่งที่เราสัมผัสเสมอไปเนี่ยไม่ได้ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าอดีตกรรมเนี่ยเราไปยังไม่ถึงพอจะเชื่อมโยงมันกเชื่อมโยงไม่ได้แต่ถ้าแนวของที่ทรงจําแนกแสดงไว้ในจุลกเมเอาพันเสูตรที่ที่ยกตัวอย่างเช่นว่า คนที่เกิดมาอายุสัน้นหรือเกิดอายุยืนเนี่ยเกิดอายุสั้นเพราะผลของการฆ่าสัตว์แต่ไม่ได้บอกฆ่าสัตว์เมื่อไร่ที่เกิดมายุยืนก็เพราะว่าไม่ฆ่าสัตว์เกิดมาโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์เกิดมาโรคมากเพราะเบียดเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์อันนี้ชัดเจนเลยแต่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแต่ไม่ได้บอ ก, กว่าเมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นี้ มันเป็นการพูดถึงผลแล้วก็สาวไปหาเหตุว่าผลที่ปรากฏอย่างเนี้ยเหตุมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วเหตุก็จะไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นไอ้คำดำให้ผลดำคำดำให้ไอ้คขาวให้ผลขาวค ำ, ำไม่ดาไม่ไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวทีนี้บางทีนี่ดดำบ้างขาวบ้างไงนะมันก็ให้ผลไม่ตัดทุ่งคนแก่เหตุ ทีนี้ถ้าเราเชื่อมโยงเนราดูง่ายๆนะดูง่ายๆว่าเหมือนกับเรียนหนังสือเนี่ยเรียนหนังสือ ว, วิชาใดก็ตามที่เรามีความใส่ใจสนใจมีอิทธิบาทดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องวิชานั้นเราสอบคะแนนดิบก็สูงเกรดก็สู ง, งนเะนีัยแต่มีวิชาบางวิชาทําไมมั น, ม, นมันเกรดมันตำ่ำก็เพราะว่าในกระบวนการปัจจัเนี่ยก็มันสัมพันธ์กับผลเพราะว่าเหตุมันไม่ดี ผลมันก็ไม่ดีไอ้ส่วนเหตุดีผลก็ดีกว่ากันไปก็ตามสมควรแก่เหตุแก่ผลแนวตัวเนี้ยเป็นเป็นแนวที่ทําให้ท่านไม่ได้สอนให้มองตัดตอนแต่ว่ามองเป็นกระบวนการเชื่อมโยงเหตุกับผลเราลองสังเกตแนวอนิสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยแนวอนิสงฆ์ทั้งหลายที่เคยยกตัวอย่างไว้เมื่อวันหลายวันก่อนมาแล้วเนี่ยคือท่านจะบอกว่าศีลแต่ไม่ได้บอกว่าศีลเมื่อไหร่ คือศีลในชาติก่อนศีลในชาติก่อนก่อนศีลในชาติปัจจุบันศีลในก่อนจะตายนะแต่ถ้าผลก็ศีลแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าไปเชื่อมโยงเนี่ยเราเองเชื่อมโยงไม่ได้นะคนที่เชื่อมโยงได้ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องพุทธญาณนะที่จะไปเชื่อมโยงเอาขนาดนั้นได้เนี่ยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่คือกฎตายตัวแต่ทำมาดีเมื่อไรชั่วเมื่อไร อ๋อก็ต้องอะไรละเอียดแล้วทีนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตรงปัวอยู่ตลอดคือไม่ใช่เอาปัจจุบันชาติเนี่ยเป็นเครื่องมือในการตัดสินอย่างเดียวเราต้องไม่ลืมเรื่องอดีตชาติ ด, ด้วยแล้วลืมไม่ไม่ลืมเรื่องปัจจุบันขณะ ด, ด้วยซึ่งกาจะมองในเรื่องอื่นก็ได้นะมองในเรื่องอื่นเช่นสมมติว่าเรา เดินทางในจังหวัดของเราเนี่ยแหละก็ชำนิชำนาญอยู่แต่วันหนึ่งมันเกิดเผลอเลี้ยวรถผิดแล้วก็ต้องผิดไปพักหนึ่งกะตรับใดที่ยังนึกไม่ออกแต่ว่าพอนึกออกมันก็หมุนกลับมาได้แน่นอนก็ต้องเสียเวลาเพราะกระบวนการของกรรมจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญา ท่านยังเรียกว่ากรรมสกตาสมาธิคือปัญญาเน้นชอบในกฎของกรรมแต่ทีนี้บางเรื่องเนี่ยมันเกิดสลับซับซ้อนอย่างที่ได้แสดงไว้ในจุลกรรมย์จุลกรรมย์ฟังกสูตรเนี่ยเราก็ต้องใช้ความเชื่อเชื่อว่าข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ากรรมและผลของกรรมนั้นมันเป็นพวก ระดับหนึ่งเนี่ยเป็นอจินไตมันก็ยากที่จะไปจําแนกแยกแยะแต่ทีนี้ถ้าเรามองตัดตอนนะมองตัดตอนเช่นสมมติว่าพ่อเราเนี่ยพ่อเราทําทําดีเราก็เห็นนะพ่อเราเป็นคนเดียวแต่ว่าต่อมาเนี่ยพ่อเราไปติดคุกแล้วเราก็ไปยืนยันว่าพ่อเราทําความดี ล้าทำไมต้องติดคุกก็เลยก็เลิกทำความดีเคยไปอบรมที่ทันทัศสถานหญิงแล้วก็มีพวกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามานั่งอยู่ที่พื้นมันไม่มีที่นั่งก็ใกล้กับเตียมานั่งพูดพูดเุร็เจก็คุยกับเขาก็มียาแก่คนหนึ่งก็อายุมากนะอายุสักหสิบแถวเจ็ดสิบถามป้าป้าทำไม ถามเกรงใจหน่อยนะถามว่าป้าทําไมมาอยู่ที่นี้แกบอกว่าเขาหาว่าก็หาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองแต่ว่าตอนนั้นแกไม่พูดอย่างนั้นนะก่อนนั้นนะแกจะพูดอย่างอื่นก่อนแกบอกว่าดิฉันนะเจ้าค่ะวัดก็ไปเจ้าค่ะศีลก็รักษากระถิ่นข้าป่าผ้าป่าดิฉันก็ไปนะเวลาวัดมีงานมีการเนี่ยดิฉันถ้าว่างๆดิฉันก็ไป บอกไม่ใช่ก็คงไม่จับป้าเพราะไปทอดกระถินเนาะคงไม่จับป้าเพราะทอดปลาป่าเพราะไปรักษาศีลหนอกถึง ท, ที่เขาจับป้ามาในเพราะอะไรเก็บอกเพราะเขาหาว่ามียาเสพติดไว้นในครอบครองแล้วถามว่าป้ามีจริงปะเก็บอกก็มีจริงเจ้าค่ะหลานไอ้ลูกชายมันฝากไว้เจ้าค่ะบอกนั้นนะป้าต้องแยกให้ออกเนะ แยกแยกให้ออกที่เขาจับป้ามาอยู่ในนี้ไม่ใช่เพราะป้าไปทอดพระป่าไปทอดกระถินไปรักษาศีลไปเข้าวัดแต่เพราะมียาเสจติดไว้ในครอบครองแล้วเขาไม่ได้หาป้ามีจริงเห็นไมไอ้ น, นั้นก็คือต้องเชื่อมโยงให้ถูกมันไม่ใช่เอาไปเอาเอ า, เอากระถินพระป่ามาอ้างเอาการทำบุญรักษาศีลมาอ้างมาคละเหตุกนละผลกันผลออกมาอย่างนั้นต้องเป็นผลจากการทาผิด ปิดกฎหมายของบ้านเมืองนะฮะทีนี้เมื่อถ้าเราเกิดสับสนก็จะโทษเอ๊เราทำดีแทบตายไม่เห็นความดีไม่ช่วยอะไรเลยความดีก็ให้ผลดีไปแล้วแต่ตอนนั้นเป็นความชั่วความชั่วก็ต้องให้ผลชั่วไปมันก็ต้องแยกให้ออกเบื้อแน่ตรงนี้จงึงต้องมีลักษณะว่าบางอย่างเนี่ยเราแยกได้ก็แยกบางอย่างแยกไม่ได้มันมีอดิตกรรมอยู่เบื้องหลังด้วยเราก็ไม่รู้ สาวไม่ถึงสาวไม่ถูกแยกไม่ออกก็คงเป็นอดีตกรรมคงเป็นบาปกรรมที่เราทําเอาไว้เห็นคนก็เจริญก้าวหน้าแม้ในปัจจุบันเราก็ไม่เห็นก็ดีเขาเด่นอะไรนักหนาแต้เขาก็มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เอ้ก็คงเป็นบุญเขาในชาติก่อนก็มาส่งเสริมสนับสนุนมันไปลดอะไรล่ะไปลดริษยาในความดีของบุคคลอื่น ไปลดความเสียใจความโทมันนัดเมื่อตนเองคิดว่าตัวเองทำดีแล้วไม่ได้รับผลดีซึ่งก็ที่เป็นเช่นนั้นก็อาจจะกาลังสมบุญผลของอดีตกรรมที่เป็นอกุศลอยู่ก็ได้แต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนทึงทำดีแล้วจะตายไปตกนรกเพราะการกระทำดีเป็นเหตุแต่เป็นไปไม่ได้ซึ่งคนคที่ทาช่วแล้วจะตายบังเกิดในสวรรค์เพราะการทาช่วเป็นเหตุ แต่ว่ามันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยกรรมประเภทอื่นนังกล่าวทุกฝั่งทปหลายแต่โรวงพธทิยาในวันนี้ขอยุติไว้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบูุ์ในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี